จเจริญตอนทุกท่านนิดเจ้าหน้าที่กลมสูนทั้งหมดเลยมีงานอะไรถึงมาฟั่งเทศนะมีกิจกรรมอะไรหนระือเปลหรือเป็นโปรเจกต์สมัยก่อนหนูพ่อรับราชาการรับราชาการอยู่สิบกว่าปีชอบเหมือนกันนะเวลามีงานอย่างนี้ไม่ต้องทำงาน แล้วก็เวลาเขาจัดให้พระมาเทศอะไรเงี้ยไปฟังได้โอกาสจะได้หนีวันนี้ไม่รู้กรรมจะสนองหรือเปล่าอ <c oughs> ดทนนิดนึงนะฟังหลวงพ่อเทศนะหาโอกาสยากนะนิมนต์หลวงพ่อมาป่าจะมาที่นี่ได้ น, ะนิมนต์ปีกว่าไม่ใช่เล่นตัวแต่ว่าชิวมันยาว เงื่อนเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาดูสิแค่เห็นคนเดินมาสนใจเขามากกว่าหลวงพ่อและรู้สึกไหมเนี่อย่างนี้เรียกขาดสตินะเดี๋ยวให้เข้าไปก่อนไ่อย่างพวกเราก็จะสนใจ ธรรมะของพระเจ้านะเป็นของอาศจรัตถ์ถ้าเราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่มีคุณค่าที่แท้จริงเท่ากับธรรมะหรอกอย่างคนในโลกก็แย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างเรารับรชาชการเราก็แย่งกันแย่งสีแย่งตำแหน่งกันแย่งคันแย่งเงินเดือนดีเพื่อนฝูงก็ทะเลาะ ก, กันแย่งกัน แย่งไปแย่งไปนใหญ่โตขึ้นมาถึงวันหนึ่งก็ไปหมดตำแหน่งไม่มีเหลืออย่างหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์เพื่อนเป็นตรักสกระทรวงก็มีเป็นผู้ว่าก็มีเป็นเอกอัครราชทูตก็มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรนี้เยอะแ ย, ยะแล้วหลวงพ่อทูตซีรับราชการไปอย่างตับก็สี่สิบแต่ก็สังเกตยอย่างหนึ่งนะว่าพอวันเวลาผ่านไปนะ กเกษียณไปมันไม่มีอะไรเหลือมีตําแหน่งมันก็หมดตําแหน่งมีรายได้มีบํานาญมีอะไรพอรกเกษียณไปหลายๆปีบํานาญมันเหลือนิดเดียวเทียบกับค่าครองชีพเคยมีเกียรติยศมีคนนับถือมากมายไปไหนคนเรียกท่านคนต้อนรับอย่างดีพอหมดอํานาจหมดตําแหน่งให้คุณประโยชน์อะไรกับเขาไม่ได้ เขาไม่มองยกเป็นบางคนนะที่ว่ามีคุณงามความดีอยู่ในตัวเขายังเกรงใจบ้างเน่พออยู่มานานๆเห็นนะความจริงของชีวิตเนะมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสารเสริญได้ก็มีนินทาได้มีสุขได้ก็มีทุกข์ได้ในยความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้คนในโลกก็วิ่งหา หาลาภหายศหาสารเสริญหาสุขได้มาแล้ววันหนึ่งก็เสียไปตันได้มาก็ดีใจนะก่อนจะได้มาก็เหนื่อยต้องต่อสู้ได้มาได้รักษ า, าไว้ก็เหนื่อยนะรักษาเก้าอีนะ้เนี่ยยากกว่าแย่งเก้าอี้อีกนะใครเก้าวมาถึงจุดที่ต้องรักษาเก้าอี้แล้วมีไหมจะรู้นะยากกว่าวันดีคืนดีนักการเมืองมันเด็ดยอดเอาไปแล้วคนของตัวเองเสียบเข้ามาอย่างนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเล ย, ยงั้นการที่เราหวังลามยศสารเสรเิญสุขเนยะมันก็ดีเหมือนกันถ้าได้แต่ว่าตั้งแต่สแสวงหานะมันก็เริ่มทุกข์นะต่อสู้แย่งชิงได้มาแล้วก็ทุกข์ที่จะรักษาไว้สุดท้ายต้องทุกข์เพราะสูญเสียไปยังไงก็สูญเสียแล้วเราชีวิตเราต้องการแค่นี้เหรือเราโตมานะเรียนหนังสือมาทางาน เราปรารถนาลาบยศสลรเสริญสุขสุดท้ายมันก็หลุดมือไปหมดชีวิตมนุษย์ไม่ได้ต่ำต้อยขนาด น, นั้นหรอกดังนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกแก่ลงไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรนะเหลือแต่เพ้อเฝันฝันไปถึงอดีตไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขกับปัจจุบันได้จริงอ่ะเราต้องเตรียมตัวของเราที่จะเผชิญกับโลกให้ได้ ความเป็นจริงของโลกก็คือมันมีราบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์หมุนเวียนไปเรื่อยๆในเวลาที่เราเผชิญสิ่งที่ชอบอกชอบใจใจเราก็ฟูขึ้นมาในเวลาที่เราเสื่อญสูญเสียใจเราก็แฟบลงไปงั้นใจเนี่ยเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะ ออกไปจากโลกตรงนี้ออกจากธรรมะประจําโลกหรือลาบยศสาร เ, เสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก์วิธีที่ออกจากตรงนี้ได้ก็คือจะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้ดีเวลาที่ได้ลาบยศสารเสริญสุขไม่หลงระเริงเพราะมีปัญญารู้ว่าอันนี้เป็นของโลกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หลุดมือไปอย่างเงินทองทั้งหลายนะั้นว่าของเราใช่ไหม สุดท้าเป็นของคนอื่นหมดนะแค่เราไปใจเงินซื้อของมันก็เป็นของคนอื่นแล้วพอตายไปมันก็เป็นของคนอื่นอีกที่จริงมันไม่ใช่ของใครมันของกลางในโลกผลัดกันชมไปไงั้นเองตำแหน่งก็ผลัดกันชมรู้สึกไหมมียศตำแหน่งก็ผลัดกันชมเป็นในพันถูกปลดก็ได้เอาแน่ไม่ได้หรอกมีชื่อเสียงก็ถูกด่าได้เนี่ยสมบัติผลัดกันชม คนเขาก็แย่งจริงกันนะไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมันต้องหลุดมือถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงเวลาที่เราได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาที่น่าพอใจมาได้รับยศสรเศรเสริญสุขมาใจเราพอใจให้รู้ทันว่าใจพอใจแค่นี้แหละไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเวลาที่ไปเจอความเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์ขึ้นมาใจเรามีความทุกข์ใจเราไม่มีความสุข ใจไม่พอใจให้รู้ทันใจของตัวเองว่ามันไม่พอใจศาสตร์แห่งการรู้ทันใจตัวเองนะหรือศาสตร์แห่งการรู้จักตัวเองเป็นศาสตร์สำคัญของพระพุทธศาสนาพวกเราอย่าไปตื้นถึงขนาดคิดว่ า, าศาสนาพุทธแค่ว่าถึงวันเกิดทีหนึ่งก็ไปใส่บาตไปทำบุญทีหนึ่งถาวายสังฆทานช่วงไหนดวงไม่ดีก็ไปเสี่ยงเสียมซีไหว้พระปิดทองถาวายไขย่ต้มอะไรอย่างนี้ แน่นันมันบูชาเทวดาแบบบูชาเทวดาหรือตายเพเอาศพไปไว้ในวัดไปเผาศพในวัดความเป็นชาวพุทธไม่ได้อยู่ที่เปลือกแค่นั้นหรอกไม่ได้อยู่ที่รูปแบบประเพณีแค่นั้นหรอกแล้วการเป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่แค่การทำทานถึงปีหนึ่งคนก็นมาเรียรอะไรให้ใส่สองบางที่สองเยอะมากเลย เยอะเงินเดือนอีกถึงปีนะน่าเบื่อมากเลยวัดต่างๆนะส่งสองมาให้เป็นปึกๆเลยแค่ใส่สมัยหลงพ่อทํางานนะแค่ใส่ซองละร้อเนี่ยเงินเดือนเกือบหมดแล้ะมูเยอะามากเลยชาวพุทธไม่ใช่มีหน้าที่แค่ใส่ซองทําบุญเวลาเขาเรียกไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างโน้นสร้างนี่แล้วเรียกไรกันเราก็จ่ายเงินไปไเรื่อเๆบอกนี่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทํา ที่จริงคนศาสนาอื่นเขาก็ทำไม่ต้องเป็นชาวพุทธหรอกอย่างมุสลิมนะถึงปีเขามีสาการคือต้องเสียภาษีสังคมต้องจ่ายคนที่มีกำลังมีไรายได้นะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งนะให้กับสังคมไปช่วยเหลือคนทึ่งเขาขาดแคลนใช่ไศาสนาอื่นเขาก็มีงั้นไม่ใช่ว่าเราไปทำทานแล้วกพราะนี่เราเป็นชาวพุทธแล้วละ่ะยังห่างไกลมากหรือบางคนจะสูงขึ้นมาหน่อย พวกแรกนะต่ำต้อยที่สุดเลยคิดว่าเป็นชาวพุทธเพราะทำประเพณีแบบพุทธทําบุญสาบาศวันเกิดวันตายอะไรต่ออะไรพวกหนึ่งก็ขยบขึ้นมาหน่อยคิดว่าถ้าทําฐานแล้วก็เป็นชาวพุทธเลยยังไกลกว่ากรรมชินชาวพุทธมากหรือคิดว่ารักษาศีลแล้วก็เป็นชาวพุทธที่จริงศีลมีองก่อนพระพุทธเจ้าศา ส, สนาอื่นเขาก็มีศีลมีอย่างของเขาศาสนาแต่ละศาสนาเขาก็สอนจริยธรรม ทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนี้เขาก็สอนเหมือนกันแต่ว่ามันก็แตกต่างกันบ้างอย่างศาสน า, าพุทธเราไม่ให้กินเหล้าพวกคริสต์เนี่ยกินได้นะกินได้ประเทศเขาหนาวเราร้อนกินเหล้าเข้าไปแย่เลยการถือศีลมันดีไหมดีแต่มันยังไม่ได้เครื่องยืนยันว่าเป็นชาวพุทธแท้จริงนีบางคนว่าต้องเป็นชาวพุทธแท้ดีกว่านั้นอีก ไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สไปนั่งสมาธิกันเนี่ยนั่งสมาธินี่แหละเป็นชาวพุทธไอ้นั่งก็ยังไกลกว่าการเป็นชาวพุทธอีกสมาธิมีมาก่อนหลวพ่อเทเจ้าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนะีสิ่งแรกที่ท่านทําก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธินั่นแหละแลี่นั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ว ท, ท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางคนทุกพ่าเรานั่งสมาธิจิตใจสงบมันอยู่ชั่วคราว ไม่นานนะพอออกจากสมาธิมาใจก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแล้วถ้าลองสังเกตให้ดีนะพวกที่นั่งสมาธิมากๆเนี่ยวันไหนที่สมาธิเสื่อมนะจะร้ายมากกว่าคนปกติมันเก็บกดมานานทําเป็นเรียบร้อยมานานทําเป็นดีมานานฉะนั้นลําพังการไปนั่งสมาธินะมันก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะว่าเป็นชาวพุทธการมีระเบียบวิธีประเพณีต่างๆการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิ มันมีมากอดพุทธเจ้าแล้วอะไรที่ทำให้าศาสนาพุทธเราไม่เหมือนคนอื่นไม่มีใครเลยนะไม่มีาศาสดาองค์ไหนเลยที่สอนสิ่งนี้นั่นคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านยืนยันนะบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้ด้วยการที่อ่านอ่านเอาฟังฟังเอารือคิ ด, ค, ดคิดเอา ปัญญาที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆเนี่ยเป็นแมื่ปัญญาจากการเห็นเนาะปัญญาจากการเห็นความจริงของกายปัญญาจากการเห็นความจริงของใจการเห็นความจริงการเห็นเนี่ยภาษาบาลีเรียกปัตสนะการเห็นพวกเราเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาไหมวิปัสสนาเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาศนา ส, สนาอื่นไม่มี ไม่มีใครค้นพบศาสตร์อันนี้เลยมีพระพุทธเจ้าคนพบขึ้นมาเพราะนถ้าเราไม่รู้จักมิปั ส, สนานะเรายังห่างไกลกับความเป็นชาวพุทธมากเลยเพรต้องเรียนให้รู้เรื่องนะว่ามีปั ส, สนากรรมฐานคืออะไราการทําสมาธิให้จิตสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานมิปั ส, สนากรรมฐานมาจากคาว่าวิคําว่าปัสนาปัสนาคือการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นตรงตามความเป็นจริง เห็นอะไรตรงตามความเป็นจริงเห็นรูปนามกายใจนี้ตรงตามความเป็นจริงกายกายใจเหานี้แหละคือสิ่งที่เราคิดว่าคือตัวเราคือของเราใชถ้าไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจนี้นะลูกเมียมันก็มีไม่ได้ทรัพย์สมบัติมันก็มีไม่ได้งั้นการที่จะไปครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเริ่มมาจากการที่ว่ามันมีกายมีใจอยู่งั้นการมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่นะเป็นศาสตร์ที่อัศ จ, จรรย์ที่สุดเลย ฟังแล้วเหมือนลึกลับเหมือนยากแต่หลวงพ่อยืนยันอย่างหนึ่งนะถ้าค่อยๆเรียนไปกับหลวงพ่อหรือฟัง CD, ซีดีสักเดือน2เดือนเนี่ยเราจะสามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้แล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในความฝันตลอดเวลาเลยเรายังไม่เคยตื่นขึ้นอย่างแท้จริงเลยทั้งๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราก็มมีความรู้สึกว่าเราตื่นทุกวัน ที่จริงตื่นแต่ร่างกายนะแต่สติปัญญามันไม่เคยตื่นเลยมันตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความหลงความงมงายความไม่รู้ความจริงได้อาศัยฟังธรรมของพระเจ้ารู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีทําวิปัสสนากรรมฐานรู้วิธีที่จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นรู้วิธีเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเมื่อรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เราเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของใจจะรู้ได้ยังไงนะถ้ารู้แล้วจะเบื่อเบื่อแล้วจะคลายความยึดถือพอไม่ยึดถือเนะี่ยมันพ้นทุกทุกวันนี้เวลาที่ร่างกายเราแก่นึกถึงตีนตีนกาอันแรกได้ไหมใครมีตีนกาแล้วยกมือหน่อยซื้อมีไหม ว่มีแทบทุกคนหลวงพ่อยก2องมือเลยหือแก่มากแล้วแกกว่าทุกคนในห้องนี้แหละนะพวกเรายังไม่เกษียณตอนที่ตีนกาเกิดขึ้นอันแรกหรือเส้นเส้นผมงอกอ่ะนึกออกไหมผมงอกเส้นแรกสร้างความเจ็บช้าให้เรามากใช่ไหมแล้วเส้นที่พัานในชักเฉยๆแล้วะตีนกาอันแรกก็เจ็บมากนะเพราะอะไรมันแก่มันเป็นสัญญาณของความแก่เกิดขึ้นแล้วเวลาที่ตีนกาเกิดขึ้นหรือผมงอกเกิดขึ้นนะ ใจเราไม่สบายใจแล้วเรารู้ว่าร่างกายนี้เริ่มแก่แล้บางคนแก่มากกว่า น, นั้นนะมือเริ่มเหี่ยวมือมันจะเริ่มเหี่ยวเหียวหนังมือหูเริ่มตึงตาต้องใส่แว่นสายตายาวนี่เป็นสัญญาณของความแก่นั่งดีๆกระดุกกระดิกผิดจังหวะหน่อยเคล็ดขัดยอกนี่สัญญาณของความแก่เวลาความแก่เกิดขึ้นนะเราจะทุกข์ใจเรารู้สึกว่าร่างกายของเราแก่ เวลาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเราก็ทุกข์ใจนะว่าร่างกายของเราเจ็บป่วยเวลาจะตายก็ทุกข์อีกว่าร่างกายของเราจะตายเนี่ยเพราะว่ามันเราไม่รู้ความจริงของร่างกายนะถ้าเรารูความจริงของร่างกายทำวิปัสสนากรรมฐานให้เต็มที่จะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุธาตุนะที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนไปเหมือนที่บันพบุรุษของเรา ยืมโลกมาใช้แล้วเขาก็คืนไปหมดละหูวหญาติตาทวดอะไรล้มหายตายจากไปบางทีเด็กๆ ก, ก็ตายไปเขาก็คืนร่างกายให้โลกไปคนอื่นก็เอาไปใช้ต่อเวลาร่างกายตายไปก็เอาไปฝังดินนต้นไม้ก็มาดูดออกไปกลายเป็นผลไม้ไปเป็นใบไม้สัตว์ก็มากินผลก็มากินเนี่ยผลัดกันใช้นะยืมกันใช้ของโลกมานี่พอเราไม่เห็นนะเราก็รู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราคือของเรา มันแก่ก็เป็นเราแก่มันเจ็บก็เป็นเราเจ็บมันตายก็เป็นเราตายรัางกายเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉนั้นมันจะแกะ่เราก็กลุ้มสิเพราะว่าตัวเราแก่มันเจ็บเราก็กลุ้มเพราะตัวเราเจ็บมันจะตายก็กลุ้มเพราะเราจะตายถ้าเราสามารถทํำวิปัสสนากรรมฐานได้เราจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วตัตถุธาตนะุที่มาประกอบกันอยู่ชั่วคราวแล้ววัตถุนี้ก็แตกออกจากกัน มีท่ามดินน้ำไฟลมมาอยู่ด้วยกันนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะแตกสลายออกไปคืนเจ้าของไปมันไม่มีไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอปัญญาแก่กล้าเกิดแล้วรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี้ยพะร่างกายแก่มันไม่ใช่เราแก่อีกละเพราะงั้นมันไม่กลุ้มร่างกายเจ็บมันไม่ใช่เราเจ็บนะมันจะไม่กลุ้มใจร่างกายตายไม่ใช่ตัวเราตายมันจะไม่กลุ้มใจ นี่เราจะเรียนจนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดนะว่าร่างกายนี้คือตัวเรารวมทั้งเรียนจนถอดถอนความเห็นผิดที่ว่าจิตใจนี้คือตัวเราเพวกเรารู้สึกไหมในเนี้ยในตัวเราเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราเดี๋ยวนี้กับเราปีหน้าก็ยังคนเดิมนะบางทีก็คิดว่าเราชาติหน้าก็คนเดิมอีกนะเราคิดว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ยคือความรู้สึกตัวจิตนั่นเองที่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา ถ้ารู้จักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นแค่สภาวาธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไม่ขาดสายเท่านั้นเองมันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเรารู้สึกว่ามันมีอยู่จริงๆนะมีตัวตนที่ถาวรเราวันนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราวันนี้กับเราตอนแก่ๆก็คนเดิมแท้จริงแล้วจิตเกิดดับทีจิบเลยนะตลอดเวลามันเหมือนอย่างแสงไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าไฟฟ้าคงที่ ที่จริงไฟฟ้ามันก็เกิดดับใช่ไหมนี่ไฟสลับอ่ะวินาทีหนึ่งเกิดดับทั้งหลายสิบรอบแต่มันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมันเลยดูคงที่พวกเราคนไหนเคยเห็นฟิล์มหนังแบบโบราณมั้งเคยเห็นไหมใครเคยเห็นฟิล์มหนังแบบโบราณมีไหมต้องคนโบราณแหละนะถ้าเด็กๆเดี๋ยวนี้มันรู้จักแต่ซีดีรู้จักอะไรพวกนี้ไม่รู้จักฟิล์มหนังถ้าเคยเห็นฟิล์มหนังเราจะเห็นเนะ่ฟิล์มแต่ละรูปอ่ะ มันไม่เคลื่อนไหวนึกออกไหมมันคือรูปแต่ละรูปรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองมันคนละรูปกันแต่พอรูปมันเกิดดับต่อเนื่องผ่านเครื่องฉายไปมันเลยรู้สึกว่ามีตัวละครขึ้นมาที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วเป็นตัวเดิมที่เดินไปเดินมาหรือวิ่งไปวิ่งมาได้มันคือภาพดวงตาจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาแต่มันเกิดดับรวดเร็วเหมือนเหมือนจอหนังเหมือนเหมือนฟิล์มหนังนะที่ผ่านเครื่องฉายไป ฟิล์มหนังผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิดความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่ามีตัวละครในหนังนะในหลงพ่อตั้งแต่ก่อนบวช น, นะเคยดูอย่างโดเลมอนเลย น, น, นะอีกคิวสังใครเคยดูบ้างต้องแก่แล้วล่ะถึงจะเคยเห็นเด็กๆคงไม่ได้ดูหรอกนะต้องพอสมควรนะมันมีตัวละครที่เคลื่อนไหวจริงๆมันคือรูปแต่ละรูปนะที่เกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจิตนี้แหละเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว แล้วเราไม่เคยเห็นเราก็รู้สึกว่าจิตนี้มีอยู่จริงๆริแล้วคงทนถาวรด้วยจิตดวงเดียวเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายมันก็ดวงเดิมจิตชาติก่อนกับจิตชาติหน้านก็ยังดวงเดิมอีกเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานจะสอนวิธีให้เราสามารถเห็นว่าจิตเองเกิดดับเป็นชอตชอ็ชอตชชตลอดเวลานะเป็นชอ็ชอตชตลอดเลยแล้วพอเห็นได้อย่างนั้นมันจะรู้ว่าจริงๆไม่ใช่ตัวเราหรอกนั้นศาแห่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียน เรียนแล้วเราจะถอดถอนความเห็นผิดได้ว่ามีตัวมีตนเรารู้สึกว่าจิตใจคือตัวเราแล้วเราก็อยากให้มันมีความสุขตลอดเวลายอยากให้มันพ้นทุกตลอดเวลาในความเป็นจริงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวพวกเรานึกถึงความสุขที่สุขที่สุดในชีวิตเราซินึกได้ไหมแต่ละคนไม่ต้องบอกหลวงพ่อนะลองนึกไปอันไหนที่สุขที่สุดในชีวิตเรารู้สึกไหมว่ามันผ่านไปแล้ว นะความสุขมันนะจะวิเศษแค่ไหนมันก็ผ่านไปแล้วล่ะก็อยู่ช่วงเก่านึกถึงความทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตได้ไหมบางคนอกหักนะอกหกักทุกข์มากใครเคยอกหกักยกมือซิมีไหมทําไมน้อยจังที่นี่สมหวังหรือว่าหาแฟนไม่ได้เลยนะหาไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเป็นโสดสบายนะยังไงสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะ เราอยู่คนเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วอยู่คนเดียวตอนแก่เนี่ยไม่สะเทือนเลยพวกที่เคยมีคู่อยู่นะตายไปนคนหนึ่งเนี่ยเฉาที่สุดเลยอหกหักก็ไม่เคยแล้วทุกเรื่องอะไรบ้างเคยทุกเรื่องอะไรมีมั้มพ่อแม่ตายทุกไหมใครเคยลูกตายมีลูกแล้วลูกตายมีไหมในห้องนี้คนที่นี่มีบุญเยอะนะไม่เคยรู้จักทุกเลยฮะ เอาหนาไปดูเอาเองก็แล้วกันนะหลวงพ่อจนปัญญาแล้วจะถามมีทุกข์อะไรคนอะไรนะมันจะไม่มีทุกข์เอาเลยเนี่ยมีแต่ความสุขเหรอเราไปนึกดูนะความทุกข์ทั้งหลายมันก็ชั่วคราวนี่ถ้าเราสามารถเจริญปัญญาได้นะเราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยใจมันจะเข้าสู่จุดที่สมดุล น, นะมันจะไม่ดิ้นทุกวันเนี้ยมันดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ นี่เราเห็นเลยจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนั่นจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเลยกระทั่งจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนไหนขี้โมโหบ้างในห้องนี้ใครขี้โมโหยกมือซิเห็นไม่เวลาเราโกรธเนี่ยโกรธชั่วคราวเนื่อออกไหมไม่มีโกรธทาวบอล โกรธก็โกรธประเดี๋ยวหนึ่งนะเขาไปคิดเรื่องอื่นเราก็ลืมสลวงพ่อเคยถามลูกศิษย์นะสมัยตั้งแต่สอนแรกๆว่าใครเคยโกรธนานที่สุดเท่าไหร่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะกล้าหาญมากเลยยกมือโกรธเป็นปีเลยบอกเราดูหน้าอะไรคนเนี้นะชอบช้อปปิง้งนะชีวิตของเธอเนี่ยคงจะอยู่ตามศูนย์การค้ามากกว่าได้ถามว่าตอนที่อกหักเนี่ยไปช้อปปิ้งบ้างไหมไปเวลาไปช้อปปิง้งอะเคยปวดท้องไหมอยากเข้าห้องน้ําอะ แล้วหาห้องน้ําไม่ได้หรือว่าห้องน้ํามีคนอื่นเต็มอะไรเงี้ยเคยตอนที่กําลังกระวนกระวายใจว่าไม่ได้เข้าห้องน้ําอ่ะนะอยากเข้าเต็มประดาแล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องอกหักไหมไม่คิดเลยตอนนั้นคิดว่ากูจะทําทไงจะปลดปล่อยได้หาที่ปลดปล่อยใี่นั่นแม้กระทั่งความทุกข์ที่ว่าอกหักแล้วทุกข์มากนะมันก็ทุกข์เป็นชั่วคราวมันทุกข์ตอนที่คิดเท่านั้นแหละคิดเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนี้คิดเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้ เนี่ยถ้าสติปัญญาเราค่อยๆมากพอนะค่อยๆดูความจริงดูความรู้สึกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้เรียกว่าเราเห็นความเป็นจริงะนะงั้นใจเนี่ยนะมันจะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกลียดความทุกข์เวลาความสุขเกิดขึ้นไม่หลงระเริงงั้นล่ามยศสรรเสริญมานะไม่หลงระเริงดูว่าชั่วคราว ได้เป็นอธิบดีก็ เ, เป็นอธิบดีชั่วคราวไม่มีอธิบดีตลอดการนรบางคนบอกว่ามีเหมือนกันนะตายขาเข้าอี้ตายคาเข้าอี้เขาก็ปลดเขาเอาคนอื่นมาเป็นใช่ไหมตามกฎหมายมันก็บอกแล้วพ้นจากตําแหน่งเมื่อไหร่นะตายก็ต้องพ้นตําแหน่งอยู่แล้วงังนมันเป็นของชั่วคราวไปหมดถ้นะมาเมื่อมันรู้ว่าของชั่วคราวเนี่ยเวลาที่ความสุขเกิดขึ้นมันจะไม่หลงระเริงเวลาที่ความทุกข์เกิดขึ้นนะมันจะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว เนี่หลักของวิปัสสนากรรมฐานนะามัาพาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจ Entscheid. เมื่อเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่หวั่นไหวถ้าเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่อยู่ชั่วคราวเราจะไม่กระเพิ่มหวั่นไหวนะไม่ได้วิ่งหาความสุขไม่ได้เกลียดความทุกข์ไม่ได้วิ่งหาความดีเกลียดความชั่วไม่รักอันหนึ่งไม่เกลียดอันหนึ่ง ไม่อใจพ้นจากรักพ้นจากเกลียดเนี่ยใจจะไม่กระเพื่อมบันไหวใจจะทรงตัวมีเสติระภาพสบายมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวของตัวเองไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยที่เรียกว่าโล ก, กุตตระโล ก, กุตตระพ้นจากโลกนะ้ะพ้นจากธรรมะของโลกไม่ยึดติดในกายในใจไม่ยึดติดในลาบยศสารเสริญสุขไม่ยึดติดในความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเนะี่งใจเข้าสู่สภาวะที่เป็นกลาง เนี่ยเพราะเห็นตามความเป็นจริงยึงเบื่อนะเพรเบื่อจงคลายความยึดถือเนี่ยพวกคลายความยึดถือก็หลุดพ้น before. หลุดพ้นหมายถึงว่าร่างกายไม่สามารถทําให้จิตใจนี้วันไหวได้อีกต่อไปหลุดพ้นหมายถึงว่าสุขทุกข์ดีชั่วไม่สามารถทําจิตใจนี้ให้วันไหวได้อีกต่อไปใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงไม่ไมกระเพิ่มไปกระเพิ่มมาเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขของธรรมะ ที่เกิดจากการเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นมาเนี่ยในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนความสุขของธรรมะในโลกหลวงพ่อก็อยู่มานานเป็นครวาสนานนะอายุสี่สิบแปดถึงได้บวชที่บวชอายุมากเนี่ยเพราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พอหมดภาระที่จะต้องดูแลพ่อแม่นะสองคนตาใหญ่ก็ชวนเงินบวชออกบวชทำไมต้องออกบวชอดอยากยากจนมาบวชหรือเปล่าไม่ใช่เงินเดือนเยอะนะเออ แค่โ BON บนะัสอ่ะตอนนั้นอยู่ TOT สมัยที่รุ่งเรืองอนะ่ะใช้โบนัสยังไม่หมดเลยปีหนึ่งอนะ่ะโบนัสห้าเดือนอนะ่ะเงินเดือนเยอนะถามว่าอดอยากไหมไม่ได้อดอยากมีตำแหน่งไม่มีสี่สิบนะมีชื่อเสียงไม่มนะีอะไรๆก็มีอยู่บ้านก็นอนห้องแอร์ไปไหนก็นั่งรถแอร์ทำงานก็อยู่ห้องแอร์อีก มีอยู่มีกินมีใช้มีสิ่งที่ชาวโลกเขาต้องการแถมมีเมียด้วยนะสมัยโน้นมีเมียด้วยนะแล้วเมียดีไม่ขี้บน่นของเราใครเมียขี้บน่น ม, มั้งมีไหมในห้องเนี้ยแต่ถ้าเมียอยู่ที่นี่ด้วยอย่ายกมือนะค <c oughs> <c oughs> ดีนี้ไม่มีอายุความเลยนะถึงว่าเข้าข่ายกบฏในราชอาณาจักรเนะนี่ชีวิตนะจริงๆแล้วชีวิตมันมีความสุอยู่แล้วล่ะแต่มันรู้สึกนะว่า ตัวอย่างในที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันชั่วคราวใจลึกๆมันรู้สึกอย่างนี้แล้วมันรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กของพ่ออยู่บ้านตอนเด็กๆอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นบ้านชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องไปจากที่นี่ต้องมีบ้านของตัวเองแตามาไปมีบ้านเช่าแล้วก็รู้ว่าชั่วคราวไม่ใช่ของเรานะมีซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วมันใจมันก็รู้สึกชั่วคราวซื้อนอนซื้อนี่ซื้อคอนโดซื้อนอนซื้อนี่ อยู่นะมันก็รู้สึกว่าที่เนี่ยอยู่ชั่วคราวทําไมเราจะไม่มีบ้านที่แท้จริงอยู่บ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่บ้านชั่วคราวทั้งหมดเลยไม่นานนะถึงเราจะไม่ไปไหนนะสุดท้ายตายเขาก็หาหมากอกจากบ้านไปทิ้งอีกนะเอาไปเผาทิ้งอีกเนี่ยทาไมเราหาที่ที่มั่นคงกว่า น, นี้ไม่ได้ใจมันลึกๆมันรู้สึกอยู่ตลอดนะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆ พอภานามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันรู้ว่าบ้านที่แท้จริงเราอยู่ที่ไหนพ่อแม่ของเราคือใครมันจะรู้สึกเลยพ่อแม่ของเราไม่ใช่ไหนนั้นไหนนี่นะพ่อแม่ของเราคือผู้ช่วเจ้าวันหนึ่งเราจะได้กลับบ้านเรือเข้าถึงพระนิพพานบ้านอันนี้เป็นบ้านที่สงบเป็นบ้านที่มีความสุขจีิงจริงไม่ต้องกับเพื่อบันไหวไม่ต้องเผชิญกับความพลัดพรากไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้น นันเป็นภาวะที่มันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองอยากรู้จักนิพพานไหมผมพ่อจะพาเปรียบเทียบให้ดูเอาไหมเราลองสังเกตที่ใจของเราทุกคราวที่ใจมีความอยากเกิดขึ้นนีใจจะมีความทุกข์รู้สึกไหมลองอยากรู้จักนิพพานนะลองไปสังเกตใจตัวเองเวลาใจเกิดความอยากใจมันจะมีความทุกข์ขึ้นมาให้คอยรู้ทันทุกคราวที่ใจอยากนะพอเรารู้ทันใจที่อยากเราจะเห็นในทันทีที่อยากความทุกข์ก็เกิดแล้ว ส่วนคนที่ไม่ฉลาดพอนะเขาคิดว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกนะต้องไม่สมอยากหรือทุกแต่ถ้าเราหัดรู้ทันใจของเราเนี้ยทันทีที่อยากเนี้ยทุกเรียบร้อยแล้วเช่นอยากได้สองขั้นปีเนี้ยทุกหรื อ, อยังทุกแล้วใช่ไหมอยากได้สองขั้นทุกแล้วอยากนอนอยากนี้ทันทีที่อยากทุกทันทีนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากสภาวะที่ใจไม่มีความอยาก่ เวลาที่ใจมีความอยากรู้สึกใจมันหิวนะใจมันจะหิวมันจะหิวอารมณ์อยากได้อนนั้นอยากได้อ น, นี้อยากพ้นจากสิ่งนี้อยากไปเจอสิ่งนี้จะมีความอยากเกิดขึ้นใจจะดินดินด้นดิ้นหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้คําว่านิพพานนิพพานเนี่ยคือสภาวะที่สิ้นตัญหาสิ้นความอยากเงั้นเราสังเกตที่ใจเราอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์นะความอยากดับลงไปนะความทุกข์มันก็หายไปด้วยเนี่ค่อยๆสังเกตไปแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่นิพพานตัวจริงนะ ถ้านิพพานตัวจริงเนี่ยจิตมันพ้นจากความอยากไปเลยมันไม่มีความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้หลวงพ่อแค่ว่าเทียบเทียมให้ดูพอให้เขาเรียกอะไรนะให้ให้ชิมดูชิมลางนะเซิฟเซิดูนะแค่นิดหน่อยสภาวะที่ใจไม่ได้มีความอยากนะคือสภาวะที่ใกล้กับนิพพานแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่ได้อยากเพราะมันยังไม่ได้ถูกเร้าถ้าถูกเร้าอารมณ์ข้นมามันอยากใหม่มันก็ทุกข์ใหม่ะถ้าอยู่เฉยๆมันยังไม่ได้อยากนะแต่ว่าถ้าอย่างพระอรหันต์เนี่ย ถึงเงมีอะไรมาเรานะมันก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีปัญญานะเพราะมีปัญญามีปัญญารู้ความจริงของอะไรปัญญารู้ความจริงของกายความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายคือร่างกายนี้เป็นทุกข์นะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวความจริงของจิตใจก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไป แล้วทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างเราสั่งให้มีความสุขในใจมันไม่สุขสั่งให้มันไม่ทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่สั่งไม่ให้โกรธมันโกรธได้เองเนี้ยสั่งว่าไม่โลภอย่าไปเดินศูนย์การค้ากจะไปเดินเอาแอร์สบายหน่อยนะว่าจะไม่โลภไม่ซื้อของเพ้อที่เดียวหิ้วมาเยอะแยะเลยเนี่ยใจคอยคอย่คอยสังเกตใจของเรานะใจมันทํางานอยู่ตลอดเวลาเวลาความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกที ร, รู้ไปรู้ลงไปรู้ลงไป แลจะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วนะเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวค่อยเรียนค่อยเรียนลงไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญาที่แท้จริงเกิดปัญญาถึงขั้นสุดยอดเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงว่ากายนี่คือทุกข์ล้วนล้วนจิตนี้คือทุกข์ล้วนๆ้นปัญญาตัวนี้พวกเรายังไม่มีนะปุถุชนไม่มีปัญญาอย่างนี้พระโสดาก็ยังไม่มีพระสกทาคาก็ยังไม่มีพระอนาคานี่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนล้ว มีแต่พระรหันตนะ์หนนะเห็นว่าจิตนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆนะนั่นถึงแจะสิ้นชาติสิ้นภพงั้นปัญญาที่แท้จริงนะคือการรู้ลงไปความเป็นจริงนะว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ขณะนี้พวกเรายังไม่เคยเห็นเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเงั้นเราเรียกว่าเรายังไม่ได้รู้ทุกข์ ถ้ารู้ทุกอย่างแท้จริงเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่ทุกขสุขจิตใจนี้มีทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่ทุกขศุบนะมีแต่ทุกทั้งนั้นเลยดังที่พระพุทเจ้าท่านสอนนะนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปแต่ถ้าเห็นถึงขั้นนี้นะจะบรรลุพระอรหันต์ใจจะสิ้นอยากโดยสิ้นเชิงเลยต่อไปนั้นเอาอะไรมารั้านะก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วงั้นงานที่เราจะฝึก ฝนตัวเองนะคือหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้การจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะทํำยังไงอันแรกมีกายก็อย่าลืมกายมีใจก็อย่าลืมใจคนในโลกนี้ลืมกายลืมใจทั้งวันตื่นนอนขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมไม่รู้หรอกตื่นนอนมารีบคิดก่อนวันนี้วันอะไรว่าวันจันทร์ใจเหี่ยวเลยใช่ไหวันอังคารก็เบื่อมากวนพุทสุดเซง็ง วันเพฤหนะัสเน่ยเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มผ่อนคลายใช่ไหมวันสุขเนะี่ยเริ่มกะดีกะดาแล้วเขาถึงวันเสาร์ดีใจมากเลยเพาะาที่เก็ยังสบายอยู่ช่งชวงเช้าพอช่วงบ่ายเริ่มเฉาแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะว่าร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงเราปล่อยให้อารมณ์ให้ความรู้สึกนั้นลากเราไปตลอดเวลาเนะื่องต่อไปนี้นะพยายามมาฝึกรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจพวกเรารู้จักคาว่าใจลอยไหม รู้จักไหมใจลอยเม ER ่อเมใจลอยเผลอไปเวลาที่ใจลอยเรายุงมักัดนะไม่รู้ใช่ไหมบางทีเล่นไพ่นั่งเล่นไพ่ไปนะบริหารนิ้วบริหารสายตาอะไร น, นะยุงกัดไม่รู้สึกเลยเพราะอะไรเพราไม่ได้สนใจมีร่างกายลืมร่างกายมมดแต่สนใจว่าจะจั่วตัวไหนนะ ม, มีจิตใจก็ลืมมันขนานี้โลภเขาไม่รู้ขนาดนี้โกรธเขาไม่รู้ขนาดนี้ฟุ้งซ่านขนาดนี้หดหู่ไม่รู้เลยเวลาเราขับรถ ใครขับรถมาทํางานบ้างมีไหมมหน้าในในี้รถเยอะจอดกันแน่นเลยนะต้องสติกเกอร์ไฟแดงด้วยใช่ไหมยบอกมีที่จอดเ <c oughs> มื่อเราขับรถนะ่ะถูกปาดหน้าเคยไหมโกรธไหมต้องโกรธนะอย่ามาทํามารยาว่าะฉันเป็นคนใจดีไม่โกรธนะโกรธทาไมหลงพ่อขับนะใครมันปาดก็โกรธเหมือนกันหรอกถ้าโกรธแล้วกดใ่ด่ามันนะแล้วด่ามันมันไม่ได้ยิน แล้วก็ต้องมองมันมันไปทางไหนนะถ้าไปปาดคืนได้เนี่ยถึงจะสะใจหนึ่งร้อยขนาดนั้นนะเออเวลาที่เราคนขับรถปาดหน้าเราแล้วเราโกรธเนี่ยเราสนใจอะไรเราสนใจไอ้คนที่ปาดใช่ไหมมันไปโน่นละเราสนใจไหมว่าใจกําลังโกรธเราไม่สนใจเพราะเราไม่สนใจตัวเองอะเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเวลาเราฟังเพลงเพราะๆมางทีใจลอยคิดถึงแม้เพลงนี้เก่า นะถ้าอายุเยอะๆหน่อยฟังเพลงสมัยโบราณแม้มันเพราะนะสมัยหนุ่มสาวในเพลงนี้กําลังฮิตหนนะี้ใจก็เคลื่อไปหลงไปอดีตนะไม่รู้ตัวว่าใจกําลังเพลินไปใจมีความสุขไม่เห็นว่าใจมีความสุขมัวแต่คิดไปถึงอดีตเฉะั้นเวลาที่ตามองเห็นนะเราเพลินไปในสิ่งที่มองเห็นเราลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองเวลาหูเราได้ยินเสียงเราเพลินไปกับเสียงหรือเพลินไปกับความคิดเรื่องของเสียงนะเราลืม กายรืมใจของตัวเองเวลาจมูกได้กลิ่นเวลาลิ้นได้รสเวลากายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรเงี้ยใจเราสนใจสิ่งที่มากระทบเราไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตัวเองเวลาที่เราคิดเวลาที่เราคิดเราสนใจเรื่องราวที่คิดเราไม่สนใจว่าจิตใจของเราขณะนี้สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วงนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราสนใจในรูป ในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายในธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจเราสนใจสิ่งเหล่านี้เราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถเจริญปัญญาได้คือการลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจเมื่อมีกายลืมกายแล้วมันจะไปเห็นความจริงของร่างกายได้ยังไงมันลืมร่างกายไปแล้ว เมื่อมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะเมื่อได้เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสปถัภาพธรรมารมทั้งหลายแล้วมันจะไปรู้ความจริงของจิตใจได้ยังไงมันลืมไปซะแล้วงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเคยได้ยินไหมคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคํานี้ดีมากเลยนะคนโบราณตั้งศัพท์ตัวนี้ไว้ดีคําว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือสภาวะที่จิตใจมีสัมมาส ม, มาธินั่นเองส ม, มาธิที่พวกเราส่วนใหญ่นักปฏิบัติฝึกเนี่ย หลวงพ่อฟันธงเลยนะคือมิจฉาสมาธินะส่วนใหญ่ฝึกไปแล้ว โ, <อ>โมหะครอบขาดสติหรือไม่ก็เคลิ้มมีความสุขหรือไม่ก็เครียดมีโทสะนะนั้นเป็นมิจฉาสมาธินักปฏิบัติเกือบร้อยลร้อยที่ทําสมาธิทําให้ถูกหรอกหนะลวงพ่อตั้งแต่เด็กอายุเจ็ขวบมหันนั่งสมาธิเรียนกับท่านพ่อหลีช่วงแรกๆก็เป็นแต่มิจฉาสมาธนะินั่งแล้วก็ใจใจทีแรกก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับ2เงอย ต่อมาพอจิตสงบไนดะ้การนับมันหายไปพอการนับหายไปแล้วก็ต่อไปสงบมากขึ้นพุทธโธหายไปพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างพอเป็นแสงสว่างแล้วทันทีสติปัญญาไม่ทันแล้วนะตามแสงออกไปเที่ยวไปดูสวรรค์นรกไม่ไปนะเพราะกลัวผีไปดูโ น, น่นดูนี่ออกไปเที่ยวเนี่ยมิจฉาสมาธิออกไปรู้สิ่งภายนอกไม่ได้รู้กายรู้ใจของตัวเองจนวันหนึ่งเนี่ย น, นึกขึ้นได้ถ้าออกไปข้างนอกแล้วไปเจอผีจะทำไงนะ เราไม่รู้จะสู้กับผีได้งไงตอนเด็กๆ ก, กลัวผีมากเลยงั้นเลยพยายามนั่งสมาธินะไม่ให้จิตเคลิ้มนั่งให้มีสติไม่รู้หรอกว่านี่คือการฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ฝึกแล้วลืมกายลืมใจเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้นะไม่มีประโยชน์กับการพ้นทุกข์อะไรเลยเราเพรามาฝึกสมาธิให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะเช่นเราหายใจไปจิตไหลไปเรารู้หายใจไปจิตไหลไปรู้ ในสุดจิตก็ตั้งมั่นนะเราก็รวมสงบลงไปร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่หลงเลยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอมันถอยออกมาจากสมาธนะิมันมีร่างกายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นโคนละอนกันเพราะเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้มีร่างกายเมื่อกี้มีแต่จิตนะไม่มีกายตอนนี้มีทั้งกายทั้งจิตนั้นกายกับจิตนี้เป็นโคละอันกันที่ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าเดินปัญญาต่อไม่เป็นจนมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้เดินปัญญา ก่อนจะเจอท่านเนี่ยหลวงพ่อเคยดูกายดูร่างกายดูผมแั้วสมาธิมันแรงนล้พอดูผมปุ๊บนะผมหายไปเลยสลายไปหมดเลยเหลือแต่หนังศีรษะดูหนังศีสันหนังศีรษะเปิดนะหายไปเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกอีกทีนะหัวขาดเลยเหลือแต่ตัวดูตัวเนื้อหนังหายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกต่อไปนะมันระเบิดเปลี่ยงลงไปนะกลายเป็นเม็ดเล็กๆๆนะดูต่อไปอีกนะมันกลายเป็นแสงนะแสงวัตถุทั้งหลายเนีแยกออกไป ถึงขีดสุดกลายเป็นแสงเป็นคลื่นเป็นสิ่งบางสิ่งไม่รู้จะเรียกอะไรัไหวๆไปไม่มีตัวตนอะไรนะแต่เคยฝึกดูกายอย่างเนี้ยเราไม่สะใจไม่ถูกจริตรู้สึกตื้นเกินไปเราก็เดินปัญญาต่อไม่เป็นได้แต่ทรงสมาธิอยู่เฉยๆไปเจอครูบาอาจารย์นะตอนหลังๆหลว ง, งปู่ศิมอะไรเงี้ยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้แต่ทนะ่าไม่รู้จักชื่อถต่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้ ร, รู้ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัว ไม่ใช่ผู้รู้หวยรู้เบอร์เลยนะรู้ตัวนะใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว น, นั่นเองงั้นเวลาที่เราฝึกสมาธนะิเราต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ฝึกลืมเนื้อลืมตัวเกือบร้อยละร้อยของคนที่นั่งสมาธิเนะี่แค่เริ่มนั่งก็ทําตัวเองให้เคลิมละพอเริ่มนั่งก็เนี่ยเริ่มทําใจซึมๆก่อน๋อย่าทำหน้าให้ดูนี่นะทีแรกก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ เนะนี่ยพอลืมตาขึ้นมานะอย่างนี้นะโมหะออกมาด้วยแล้วบอกเนี่ยนั่งสมาธิอย่านั่งสดีกว่านะนั่งแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าอีกนั่งแล้วโมหามากกว่าเก่าอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วเครียดนะอย่างดูท้องผ่องยุบนะอยู่น้ําแล้วจะกินน้ำอีกชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงแก้วน้ําเลยนะใจนี่นะมันทื่อๆนะ ถ้าใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อมิจฉาสมาธินะถ้าใจที่เป็นสมาสมาธินี่ต้องใจเป็นกุศลลักษณะของจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยเบาเรียกละหุตามีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตานะมีความคล่องแคล่วว่องไวถ้าซื่อบื้อไม่ใช่คล่องแคล่วว่องไวเรียกป่าขุนตาขยันในการรู้สภาวะนะขยันทํางานเรกรรม ญ, ญาตาควรแก่การงาน ซื่อตรงในการรู้กายรู้ใจเรียกอุชุกตานะแล้วก็ไม่ไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงยังบางคนจะนั่งสมาธิเริ่มด้วยโลภก่อนอยากนั่งหรือเวลาเดินจงกลมอยากเดินตลอดเวลาที่นั่งตลอดเวลาที่เดินเนี่ยความอยากยังอยู่นะงนั้นที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติทำหรอกแต่ปฏิบัติกิเลสอยู่นะสนองกิเลสอยู่เรียกว่าภาวนาสนองกิเลสนะดงั้นภาวนาไปเรื่อยๆเซลล์ยิ่งจัด เคยเจอไหมพวกเขาวัดเซลล์จัดมากเลยจัดกว่าคนธรรมดาอีกใช่ไหมเคยเจอไหมเนี่ยอย่าดูถูกคนเข้าวัด น, นะไอ้พวกนั้นภาวนาผิดหรอกถ้าภาวนาถูกไม่เซลล์จัดหรอกนะเพราะมันจะเห็นว่าไม่มีเซลล์เนะ่นั้นเวลาที่เราจะฝึกจิตใจนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี้ยที่จเจริญปัญญาเนี่ยต้องไม่ลืมตัวเองวิธีนี่ฝึกให้ไม่ลืมตัวเองเนี่ยให้รู้ทันเวลามันลืมตัวเองการจะรู้ทันจิตที่ลืมตัวเองเนี่ยทายัางไง ขั้นแรกเลยต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยจะดูท้องพองยุบจะขยับมือทําจังหวะนะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้รูปแบบของการปฏิบัติไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจิตที่ไปปฏิบัตินั้นมันถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะั้อนอย่างบางคนนะขยับมือขยับสวยเป๊ะๆ เ, เลยถูกต้องสิบสี่จังหวะถูกแต่ขยับแล้วใจหนีไปคิดไม่รู้ว่าใจหนีไป ขยับแล้วก็เพ่งอยู่ที่มือใจทือๆอยู่ที่มือเจ้องอยู่ที่มือนะจ้องใจทือๆอยู่อนี้สุดท้ายก็ทือๆอยู่อย่างนีออง้อย่างนี้ก็มิจฉาสมาธินะไม่ใช่ภาวะแห่งการรู้สึกตัวสภาวะแห่งการรู้สึกตัวเนี่ยหรือสภาวะที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่เผลอลืมกายลืมใจแล้วก็ไม่ได้บังคับตัวเองให้เคลียดเคลียดผิดธรรมชาติมันคือสภาวะที่จิตใจเป็นธรรมดาที่สุดเลยธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะ ธรรมดาที่สุดดีที่สุดลองยิ้มหวานสิยิ้มหวานยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยความรู้สึกลองพยายหน้าสิเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้ได้ใจที่สบายนะไม่ใช่ต่อไปนี้จะยิ้มเนี่ยนะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะอา้าวขยับมือเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่เอานะดูท้องพองยกก็ทื่อๆ อ, อย่าไปฝึกตัวเองให้เป็นโรบอท มัเป็นหุ่นยนต์นะสภาวะจิตใจที่เหมาะที่สุดสําหรับการปฏิบัตินะคือสภาวะจิตใจของคนธรรมดาของคนธรรมดานี่เองพวกเราเนี่ยเราอยู่ในภูมิมนุษย์ภูมิมนุษย์ที่ว่ามันดีนะคือมันสามารถฝึกใจได้นะเป็นใจที่ฝึกได้อบรมได้สั่งสอนได้เรียกได้ว่ามนุษย์แต่ว่าเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยอุตส่าห์มาจัสรูปในภูมิมนุษย์เพราะว่าภูมิเนี้ยเหมาะกับการปฏิบัติที่สุด ภาวะที่จิตใจเป็นธรรมชาติธรรมดาของเรานี้แหละมันถูกอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่พวกเราเนะี่ยพอลงมือปฏิบัติเนี่ยเราเปลี่ยนภูมิของตัวเองเราไปสู่รูปประภูมิอารูปประภูมิทันทีเลยคือน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆไปนะให้จิตให้สงบเลยดัดแปลงจิตการดัดแปลงจิตนะั่นคือการที่ทิ้งภูมิของมนุษย์เนนะไปอยู่ในภูมิของลมนะเปลี่ยนภูมิไปแล้วนะภูมิอย่างนั้นน่าเจริญปัญญายากนะทุกอย่างมันจะนิ่งไปหมดเลยไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรให้ดูหรอก ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนร่างกายมันหายใจอยู่แลนะ้นเดินจงกลมมันเดินอยู่อย่างนั้นนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกเพราะฉะนั้นอย่าใช้ใจที่ผิดปกตินะใจผิดปกติของนักปฏิบัตินี่ยคือใจที่นิ่งกว่าความเป็นจริงใจที่ถูกบังคับให้นิ่งใช้ใจของคนธรรมดาพวกเรามีอยู่แล้วใจของคนธรรมดาใจของคนธรรมดาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขนะ์เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอใจที่เปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยดีที่สุด ใจที่เป็นธรรมชาติดีที่สุดนะธรรมชาติของมนุษย์นะถ้าหลวงพ่อไปสอนแมวเนี่ยต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าต้องใจอย่างมนุษย์ถึงจะดีนะใจอย่างแมวไม่ดนะีแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยใจมนุษย์นี่แหละดีมืนะ่อรู้สึกตัวสบายๆรู้สึกตัวอย่างเป็นธรรมชาตินะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใจที่เป็นธรรมดาไม่ใช่เริ่มด้วยการบังคับใจให้ทื่อๆทื่อแล้วก็ขยับอย่างนี้ใช้ไม่ได้ เราใช้ใจที่เป็นธรรมดายิ้มหวานยิ้มให้ใจคลี่เลยนะแต่สบาย ใ, ใจสบายแล้วเราก็ค่อยดูเช่นเราเห็นร่างกายนั่งเราเห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจยใจเป็นคนดูอย่าไปดูที่ลมหายใจพวกเราที่ชอบทำกรรมฐานนะเวลาไปรู้ลมหายใจเนี่ยชอบไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจมันไม่เหมือนกันนะถ้าเรารู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นร่างกายหายใจ และปัญญามันจะเกิดขึ้นมามันจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่ถ้าเราไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนั้นมันบีมความรู้สึกเนื้อคอนเซนเทรตลงไปอยู่ที่ลมหายใจเมื่อไหร่นะมันคือกสินคือการเพ่งกสินลมและสุดท้ายมัจะกลายเป็นแสงะกระสินทั้งหลายนั่นแหะพอเพ่งถึงที่สุดแล้วเป็นแสงเป็นแสงแล้วไม่เดินปัญญาแล้วนะสุดทางมันหนึ่งนะเ ข, เข้าชาญไปเยอเว้นแต่ว่าไปเดินปัญญาในชานซึ่งยิ่งยากกว่าข้างนอกนี้ ถ้าข้างนอกนี้ยังทําไม่เป็นอย่ามาคุยโมเรื่องเดินปัญญาในฌานนะมันทำยากถ้าไม่ชํานาญในการดูจิตไม่ชํานาญในฌานจริงๆนะทำไม่ได้นะคําว่าชํานาญในฌานนี่ชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการเดินปัญญาในการออกจากฌานเรียกว่าวัาสดีสี่อย่างเนี้นเราใช้ใจธรรมดาของเราใจที่เรามีอยู่ตอนนี้แหละนะเวลาลงมือปฏิบัติให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะดีอยากจะพ้นทุกข์จริงๆนะ เคยพุดโทก็พุดโทรไปนะเคยหายใจก็หายใจไปนะเวลาหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหรือเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูอย่าไปจ้องอยู่ที่เท้าอย่างเดียวเวลาขยับมือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่าไปจ้องอยู่ที่มือนะให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายสบายไปแล้วปัญญามันถึงจะเกิดนะมันจะถึงรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอก เอายิ้มหวานจะพาให้ดูนะยิ้มหวานยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะให้ใจมันสบายบางคนยิ้มแต่หน้านะยิ้มแต่ใจมันทื่อๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องยิ้มให้ใจสบายนี้คนนี้ยิ้มใจอย่างไม่สบายเนี่ยหลับตายิ้มเนี่ยเสื้อสีม่วงเนี่ยยิ้มเราใจแน่นๆหน้าใหญ่แน่นไปอย่างนี้ไม่สบายอต้องยิ้มอย่างมีความสุขพอใจมีความสุขแล้วเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมลองขยับมือสิรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหว รู้สึกไ้ยมันไม่ใช่เราหรอกใจมันอยู่ต่างหากนะถ้ากายกับใจมันแยกออกกันละมันจะพบว่ามันไม่ใช่เราหรอกนี่คือการที่จะฝึกเดินปัญญานะเพ่าะฉะนั้นเดินปัญญาด้วยการวิจ้องอยู่ที่ท้องจ้องอยู่ที่มือจ้องอยู่ที่เท้านั่นคือการเพ่งเป็นสมถกรรมฐานเท่านั้นเองไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงพอไหวไหม ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคยใช้กรรมฐานอะไรใช้อันนั้นแหละนะยกเว้นพวกที่เล่นกสินนะขอแนะนําว่าเปลี่ยนซะเถอะเพราะกระสินไฟข้างนอกแล้วออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกมากกว่าที่จะย้อนเข้ามาที่ตัวเองแต่ถ้าเล่นกระสินชํานาญนะอย่างเราเล่นกระสินไฟนกําหนดจนไฟสว่างขึ้นมันได้นะยเอาไฟนะย้อนกลับมาเผาร่างกายตัวเองเลยนะออใจกล้าๆนะเผามันให้ไหม้ไปเลยพอไหม้ไปหมดแล้วร่างกายสลายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยจิตทรงสมาธิอยู่ พอจิตถอยออกจากสมาธิกลับมามีร่างกายมันจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันแล้วตั้งแต่วันนั้นน่าจะไม่รู้สึกแล้วว่ากายนี้เป็นเรานะแยกมันจะแยกขาดออกจากกันฉังนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งนะแล้ว ร, รู้ตัวไปสบายๆนะด้วยใจที่ปกติค่อยๆรู้สึกไปเห็นว่าร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่จ้องนะ ถ้าจ้องเนี่ยผิดนะถ้าเผลอลืมไปก็ผิดสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านะั้นอันหนึ่งลืมกายลืมใจเรียกว่ากามสุขาเลากาโยคอันที่สองบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสองอันนี้ห้ามทําเป็นความสุดตรงสองด้านสภาวะที่เป็นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะั่นแหละนะดีที่สุดแล้วละ่นะยากไปไหมใครฟังหลวงพ่อครั้งแรกแล้วบอกว่าไม่ยากเนี่ยนะแสดงว่ญญาฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเลย นะมีนั้นพวกโอ้ยผู้เชี่ยวชาญแตกฉานนะักเคยมานะแบบเทพนักเผยแพร่ด้วยซ้ำไปขับรถมาฟังหลวงพ่อนะวันหลังมาสารภาพนะว่าตอนจะกลับเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกจากวัดทางไหนเลยนะฟังแล้วงงไปหมดเลยแต่มีวิธีที่จะช่วยพวกเรานะไปฟังซีดีหรือดู y o u ูทูะที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่ฟังเพลงฟังอะไรแล้วบอกว่าไม่เห็นจะบรรลุอะไรสักทีไปฟังที่หลวงพ่อเทศอนะ่ะ สักเดือนหนึ่งไม่มากไม่ใช้เวลามากนะเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกิน3เดือนหรอกฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วค่อยรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเช่นถ้าเราขี้โมโหเนี้ยเราไม่ถนัดดูกายเราก็ดูความรู้สึกเราเห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายความโกรธไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าเนี่ยฝึก อ, อย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราค่อยๆหัดไป ไปฟังซีดีนะให้กันบ้านไปฟังซีดีแล้วในเวลาหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนนี้แหะชีวิตเราจะเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะยกเว้นคน2องอย่างพวกพวกหนึ่งพวกคิดไม่เลิกหลวงพ่อบอกอย่าไปคิดมากให้ดูความรู้สึกให้ดูร่างกายจิตใจมันทํางานไม่ดูหรอกกูจะคิดอย่างเดียวพวกเนี้ไม่มีวันเข้าใจธรรมะเลยเพราะธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดอีกพวกหนึ่งเพ่งลูกเดียวเลยใจซื้อบือ้อทื่อบือ้อทื่อๆ อ, อยู่ตลอดเวลา ทำอะไรก็บอกเนี่ยรู้ตัวตลอดหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะมานั่งข้างหน้าหลวงพ่ออยากมาเรียนมาถามก็มาถา ม, า ม, าถามหลวงพ่อก็บอกรู้สึกตัวไปสะบัดหน้าใส่แาบนี้ดิฉันไม่เคยเผลอเลยดิฉันรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยเห็นแล้วสยดสยองลวก็สาธุไม่กล้าสอนต่อ น, นั้นเดี๋ยวมันตกหรอกนะ <laughs> รู้สึกตัวเมื่อกี้ใครหัวเลาะสังเกตไหมเมื่อกี้เผลอใช่ไหม ตอนที่หัวเราไม่ได้รู้สึกว่าทั้งกายหัวเราะใช่ไหมถ้าเมื่อไหรลืมกายเมื่อไรลืมใจนะเพราะฉะนั้นขาดสตินะขาดสติปัฏฐานมีสติโลกโรคได้แต่ไม่มีสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติปัฏฐานไม่บรรลุหรอกมรรผลอะไรสติปัฏฐานนะั่นสติรู้กายรู้ใจของเราจะรู้สึกไปได้ไปฟังซีดีนะแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีสาระแก่นสารในชีวิตเรา อะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเหมาะสมกับเราอะไรเป็นแค่ที่เราอาศัยอยู่กับโลกชั่วคราวชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองครอบครัวสิ่งนี้เป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลกชั่วคราววันหนึ่งต้องสูญเสียนะวันหนึ่งจะเสียไปแต่ธรรมะจะอยู่กับเราตลอดอยู่ข้ามภพข้ามชาติเลยนะอย่างบางคนน่ะภาวนานะตอนเด็กๆอ่ะอายุไม่มาก เวลามีอารมณ์แรงๆมากระทบนะใจมันดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยก็มีนะหนูพภาก็เคยเจอหลายๆคนเพราะเนี่ยพาวนามาแต่ชาติก่อนละใจมันเคยจะเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมีเร้าหนึ่งมาเล่าแลไปดูลอยกระทงแล้วเขาจุดพลุอยู่ข้างๆท่านไปยืนท่านไม่รู้ว่ามีพลุแต่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่พระไปดูพลุนะอ่เป็นโยมนี่แหละเพอเขาจุดพลุเปรีร้ยงเนี่ยตกใจ พอตกใจปุ๊บมันเห็นว่าร่างกายกระใจมันคนละอันกันนะความรู้สึกตกใจน้ำกระเด็นออกไปใจมันเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายยืนอยู่ลงเฝ้าตอนเด็กๆอะ่ะอายุสิบขวบเล่นอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวตอนเด็กๆนะอยู่แถววัลจัคนิ่งปรากฏว่าไฟมันไหม้ตึกแถวถัดไปสี่ห้าห้องเห็นไฟไหม้ออกมาเนาะะตกใจแล้วตกใจนะก็ลุกขึ้นมาวิ่งเจอไปบอกพ่อว่าไฟไหม้เก้าที 1, ่หนึ่งเก้าที่สอง เดี๋ยวยังตกใจอยู่เพรก้าวที่สามนะมันเหมือนเปิดสวิตภายในขึ้นมาพลึบขึ้นมาเลยมันรู้สึกตัวมันเห็นจิตที่ตกใจทันทีที่เห็นจิตที่ตกใจนะจิตผู้รู้มันดีดผางออกมาเลยนะไม่ตกใจอีกแล้วแล้วก็เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟมันไหม้คราวนี้ดูผู้ใหญ่ตกใจแต่เราไม่ตกใจนะแต่สภาวะที่เกิดขึ้นตอนอเด็กๆเนี่ยเหมือนกันทุกคนอย่างหนึ่งนะพอผ่านไปช่วงหนึ่งจะลืมเจ้าชายสิทธัตถาก็มีนะ ตอนที่ท่านเด็กๆไปดูแลกนาควันจาได้ไหมตอนนี้ที่ท่านไปดูแลกนาแล้วก็พี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่านะแล้วนะท่านอยู่คนเดียวท่านไดนะ้นั่งสมาธินั่งสมาธิจิตได้ปฐมฌานที่ถูกต้องฌานมีสองชนิดนะฌานที่ถูกต้องท่านได้ฌานที่ถูกต้องเพราะว่าของเก่าท่านสะสมมานะเสร็จแล้วโตวขึ้นท่านก็ลืม ว่าเป็นเจ้าชายอยู่จนอายุยีิบเก้าออกไปบวชไปฝึกเข้าฌานกัลลิศีมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งท่านถึงบอกว่าไม่ใช่ทางนะแล้วตอนที่ใกล้จะตรัสรู้เนี่ยท่านะระลึกถึงภาวะตอนเด็กๆนี้ได้นะภาวะสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนะี่ยท่านก็ทําสมาธิใหม่ถึงฌานที่4ี่แล้วท่านเจริญปัญญาต่อแล้วนะนะท่านจะบรรลุนะต้องฝึกนะของฟรีไม่มีต้องลงมือลงแรงทํา แต่ก่อนจะทำานี่จะทาแบบสุ่ม4ี่สุ่ม 5, ไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆให้โอกาสกับชีวิตตัวเองบ้างแล้วชีวิตจะดีขึ้นถ้าไม่ให้โอกาสกับตัวเองไม่มีโอกาสพัฒนาหรอกนานๆนะจะได้ฟังหลวงพ่อเทศทีหนึ่งว่าจะไม่มาที่นี่แล้วละ่ะเพราะว่ามากรุงเทพบ่อยนีม่มาให้ครั้งหนึ่งด้วยความเกรงใจนะเกรงใจต่อไปแก่แล้วคงอยู่ที่วัดมากขึ้น พวกเราก็นขนวายไปเรียนเอาก็รแล้ว ก, กันแล้วก็บางคนไม่ไปไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่เป็นไรมีซ d ดีมี u t u b e เลยให้ฟังเยอะเลยนะไปฝึกเอาแล้วชีวิตจะดีขึ้นต่อไปจะไม่หวั่นไหวมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีสารเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นั่นคือธรรมดาใจเข้าถึงความเป็นธรรมดาเพราะมันเห็นความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เรา แล้วมันจะสุขจะทุกข์จะแก่จะเท่าอะไรธรรมดาธรรมดาได้เขาพ้นทุกข์ได้เอาละพอสมควรวันนี้เทศให้ทั้งชั่วโมงนะพอรู้ว่าหยุดงานมานานหยุดตั้งครึ่งวันอใครจะส่งกันบ้านว่ามานมัส ก, การครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบสามเดือนครับอืมเท่าที่สังเกตดูนะครับมีพัฒนาการตรงรู้สึกว่าจิตเริ่มยอมรับความจริงได้มากขึ้นนิดนึ่นะครับอืม แต่แตมีเกรงใจด้วยบอกนิดนึงก็รู้สึกว่ามันนิดเดียวจริงๆครับ ม, มันดีขึ้นกว่าก่อนแล้วล่ะครับเอครั้ทงที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้ดูปีติแต่ว่าไม่เห็นก็เข้าใจว่าเพราะมันไม่ค่อยเกิดะครับมันก็มไม่ชํานานที่จะดูแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับปีติส่วนใหญ่จะเกิดตอนทําในรูปแบบครับหรือไปเกิดอีกทีตอนที่ว่างๆในระหว่างวันเงี้ครับนั่นแหละมันจะผุดขึ้นมาเองนะใช่ครับมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันมาเองไปเอง การที่เราเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปนั่นคือการเจริญปัญญาเั้นเราอย่าไปบังคับจิตถ้บาบังคับจิตอยู่มันไม่ผุดขึ้นมาถ้าปล่อยเป็นธรรมชาติแล้มันก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวดีก็ผุดเดี๋ยวชั่วก็ผุดใช่ไหมเดี๋ยวปีติสุขก็ผุดขึ้นมาก็ดูไปอย่างที่มันเป็นใช้ได้นะดีขึ้นแล้วละ่ะแต่ว่าควรจะเพิ่มสมาธินิดหนึง่งใจมันจะกระจายออกข้างนอกอยู่ดูออกไหมใจเรากระจายกว้างๆออกไป ถ้าใจกระจายกว้างๆออกไปเนี่ยจะมีความสุขสุขไหมเออแล้วมันจะติดอยู่ตรงเนี้เพราใจเนี่นมันไม่โอปะนาญิกโกมันไม่ย้อนกลับมาดูความจริงของกายของใจทุกอยู่ในนี้ทุกไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าใจไปอยู่ที่นี่ใจไม่เห็นทุกหนอฝึกไปต้องเพิ่มแบบอารามานูวินิชานหรือลัคขณูครับลักณูสิไอ ต, ตัวที่จิตไปติดว่างๆเนี่ยแหละอารามานูไปติดอะไรที่เรียอารามะ อารมณ์ว่างไปติดความว่างนะ่เพราะงั้นย้อนมาที่การใช่ใจผมสังเกตว่าตอนทำาในรูปแบบแสดงว่าตอนทำาในรูปแบบช่วงหลังเนี่ยครับมีความสุขเยอะเลยครับจิตคงออกไปติดว่างเลยครับทำให้หลวงพ่อดูซิมีส่งกงนบ้านไม่กี่คนมีเวลาเยอะหลงแล้วใจลงไปสังเกตไหมว่าโมหะแทกซึมนะ เพิ่มสติขึ้นนิดหนึ่งสติอ่อนไปก็าใหม่รู้สึกตัวมากกว่านี้นิดหนึ่งนิดเดียวนะยห้ามมากมากแล้วแข็งยิ้บหวานลืมหลักสูตรเนี่ยเราใช้ใจอย่างนี้ใช้รู้สึกไหมนี่แหละคือภาวะแห่งความเปลี่นอยู่ตรงนี้เลยจําได้ยังอยู่ตรงนี้นะตะกี้ไม่ใช่นะตะกี้ไปอยู่ข้างนอกแต่ตรงนี้กลับข้างแล้วอันเนี้ดึงไว้แลอย่าแน่นนะเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนสภาวะตรงที่หลวงพ่อบอกว่ามันถูกแล้ว จำตรงนั้นได้ยังห้ามทํานะว่าทํามันจะไม่เกิดแต่มันอยู่ที่ว่าเนี่ยมันคลายออกแล้วมันจะเจอเองถ้าจงใจแล้วไม่เจอหรอกทุกครั้งที่ทํามันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับเออถ้างนั้นมันทําผิดน่ะคือมันก็เริ่มผิดอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีตรงที่ถูกแซกนิดนึงแล้วก็เพ่งอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นใช้ได้ถ้าอย่างนั้นทำต่อไปไปอย่างเงี้ทุกวันเลยครับเออถ้าอย่างนั้นได้ทําไปว่างอยู่อย่างเดียวใช้ไม่ได้นะหรือไปเพ่งอยู่อย่างเดียวใช้ไม่ได้ ถ้ามันสลับกันมันเผลอไปรู้สึกว่าเพง่งเผลอรู้สึกเพง่องอันนี้ใช้ได้แต่ตอนนี้เพงเ่งแล้วอึดอัดครับขอบพระคุณครับแต่เมื่อกี้ถูกใจหลวงพ่อนะภาวะที่ผุดขึ้นมาวับนะั่นแหละภาวะแห่งความตื่นนะมันเริ่มตื่นแบบเป็นอัตโนมัติได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ผมสังเกตตรงนี้คือเป็นจุดสําคัญใช่ไหมครับสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราจงใจทําขึ้นมาไม่ได้ ถ้าเราจงใจทำขก้นมันเป็นโลภะสติไม่เกิดรอกขอบพระคุณครับเออใช้ได้นะจานมนส ก, การคะ่ะหลวงพ่ อ, อเออหนูก็ฝึกภาวนาวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คราวก่อนๆ น, นี้หลวงพ่อก็บอกให้หนูไปฝึกดูตัวโทสะซึ่งหนูก็ดูมาเรื่อยๆแล้วก็คือนับวันเนี่ยยิ่งพบว่ามันเยอะคะ่ะ เอ่อิเลดตัวเองเยอะมากคือบางทีแบบดูจนเหนื่อยอ่ะคะ่ะเหนื่อยเราก็พักเวลาที่เราเจริญปัญญารวดไปมันเหนื่อยนะทําสมถะกลัมาไว้พระสวดมนต์พุทโธพุทธโธอะไรไปอันนี้คือทําในรูปแบบหนูก็ทําทุกวันแล้วแต่ว่ามันฟุ้งซ่านทุกวันเลยคะ่ะเวลาห้ามมันไม่ได้อ่ะใจมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งนะแล้วใจอยากสงบรู้ว่าอยากหนูใช้วิธี หายใจโยยาวตอนแรกได้ไหมคะในในช่วงเริ่มต้นอะทําไปเห็นไหมลืมยิ้มเนี่ยใช้ใจอย่างนี้มันไม่เหมือนกันรู้สึกไหมใจตะยิ้มใจที่ผิดอยู่แล้วใจที่โลภเราใช้ใจที่ปกติเนยะจิตของเราโดยธรรมชาติประผัดสอนสว่างสวัยรู้สึกไหมนะแต่ว่ามันมีกิเลสซ่อนอยู่เมื่อเราใช้ใจที่ธรรมดาอย่างนี้นนะเดี๋ยวกิเลสก็โผล่ขึ้นมาให้เราดู ถ้าเราไปจ้อ ง, องนะมันคล้ายมันข่มเอาไว้มันไม่ขึ้นมาก็คือให้พยายามให้ใจปกติมีความสุข ใ, ใ, ใจสบายแต่าบางบางทีทํางานเหนื่อยอะค่ะแล้วในงานที่ทําเนี่ยใช้ความคิดตลอดถ้าอย่างนั้นต้องทำงานค่ะ พ, พอกลับไปนี่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเราทําตอนก่อนก่อนก่อนมาทํางานสิเตินเด็วขึ้นสักสิบห้านาทนะีหรือว่ากินข้าวของวันแล้วเราไปแอบทํา เดินจงกรมเดินจงกรมหลวงพ่อก็เคยทำนะเมื่อก่อนอยู่ทําเนียบกลางวันกินข้าวเราจะเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานอนะ่ะเดินไปแล้วก็เดินกลับแค่นั้นแหละก็ะเดินจงกรมนั่นแหะถ้าถ้าเรามาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยคนมันจะชอบกันแหนกันแหนไม่ชอบเห็นใครปฏิบัติหรอกนะถ้าใครปฏิบัติมันจะคอยว่าค่ะแล้วคือปกติหนูชอบดูลมหายใจอะคะ่ะแต่ว่าพอตอนเหนื่อยๆมากๆหรือว่า รู้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงเนี้ยนะจะใช้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเป็นขยับร่างกายแทนได้ไหมคะเหนื่อยเกินไปเมือนเวลาที่เหนื่อยเวลาที่เครียดเวลาที่สมองล้าเนี่ยนะอย่าทิ้งลมแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบไม่ได้ทำเพื่อให้จิตดีนะหายใจลึกๆหต่ใจยาวๆไปเดี๋ยวสมองก็จะแจ่มใสมีแรงขึ้นมาหายใจลงไปถึงท้องเลยนะหายใจเรายาวๆสบายใจลึกๆแบบผ่อนคลาย ด้วยใจที่ผ่อนคลายยิ้มกว่าแล้วก็หายใจแอปเดี๋ยวสมาธิเกิด น, นะกําลังจะมาอย่างรวดเร็วเลยไม่ควรทิ้งลมนะเวลาเหนื่อยค่ ะ, คะหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งคือช่วงหลังๆนี้เวลาหนูนั่งทำนายรูปแบบอะค่ะมันจะเห็นเหมือนอะไรสักอย่างที่หมุนหมนอยู่ข้างหน้าค่ะแต่มันอยู่เหมือนกับอยู่ตรงหน้าเราอย่าตามมันออกไปะนะแค่รู้ว่ามันหมุนอย่าถลําเข้าไปดูมัน ถ้าใจสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยย้อนมาที่ใจแต่ถ้ามันหมุนอยู่กลางอกนะเราก็ดูแต่ก็ไม่ถล่มลงไปที่กลางอกด้วยนะมันหมุนที่ไหนก็ช่างมันอย่าจมลงไปในมันเห็นอย่างนั้นได้ก็เก่งเนอกเอออย่างนี้หนูควรจะไปเพิ่มอะไรบ้างหายใจไปหายใจแล้วรู้สึกหายใจเรารู้สึกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างที่หนูหายใจแล้วเครียดไปเพราะหนูหายใจแล้วอยากสงบ ถ้าเราเหนื่อยมานะหายใจหายใจแล้ ว, ยลวอย่างเงี้ยเังเกณฑ์ม่เวลาคนกลุ่มใจมันชอบถอนใจเพราะเวลาหายใจออกนมันจะรีแล็กซ์พอใจมันผ่อนคลายแป๊บเดียวมันก็มีแรงแล้วแล้วการที่เราหายใจมันเพิ่มออกซิเจนให้สมองเดี๋ยวสมองสดชื่นขอบพูดค่ะนวัส ก, การหลวงพ่อครับอืมกล่ามา ส่งกันส่งกันบ้านแล้วหลวงป่อบอกฟุ้งสร้างอ่ะให้ทำความสงบมานลฟุงไหมฟุ้งจริงหลวงพ่อใส่ร้ายปะไม่ใส่ร้ายแล้วคือยอมแล้วว่าผ่านโลกเยอะครับโลค ก, กระทบมันเยอะฮะตอนนั้นเวลาโลกกระทบใจก็ต้องกระเทือนห้ามไม่ได้หรอกครับะแต่ใครใจกระเทือนแล้วยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันถ้าใจเข้าสู่ความเป็นกลางรู้ทันความยินดียินร้ายมันเป็นกลางนะใจมันจะตั้งมั่นสมาธิเกิด ไม่วันไวับนี่ก็ไปทำความสงบมาทำแค่ช่วงเช้าๆนะไม่พอใจจิตอตอน น, ออต น, นี้ไม่ถูกดว อ, อกไหมจิตขณะนี<อ>้ไม่ถูกดูป่กเออน้าไปรวบไปเกรง <c oughs> แล้วก็มัว <c oughs> ใ่ไหมัวมัวไปหมดให้เรารู้สบายหายใจใหาใจยังมีความสุขเออนั่นนะ่ะถอนใจไปขับม <c oughs> ือหมอยู่ตัวนั้นเพามันเกรงจริงก็จต เก่งมาจากไหนเนาะเจอหลวงพ่อตัวแข็งหมดอ่ะยอมยอมเลยครับยอมยอมจริงหายใจสบายหายใจมีความสุขนะถ้าหายใจแล้วมันเหน็่อเหนื่อยก็บริกรรมไปสวด ม, น, น, มนต์ไปนโมตัสสาพระก็ว่าตัวอะไรก็ว่าไปแล้วก็สวดมนต์ไปแล้วรู้ทันใจสวดหมดแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสวดไปแล้วใจสงบรู้ว่าใจสงบถ้าทําอย่างนี้นะสมาธิจะเกิดครับแต่ถ้าทําสมาธิด้วยการบังคับให้จิตสงบเนี่ยจะไม่สงบหรอก ให้รู้ทันสงบก็รู้พุ่งสั้นก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะทำกรรมฐานหายใจไปสบายๆแป๊บเดียวสงบครับได้ลมหายใจตอนรอบใจแนี่เออนนเนี่นตอนถอนใจใจจะคลายรธรรมชาตินช่วยเรานะเวลากลุ่มใจเวลาเครียดชอบถอนใจใช่ไหมนี่ถอนใจมันจะคลายออก เราใช้ใจที่ผ่อนคลายมาทํากรรมฐานถ้าไม่ใช้ใจที่เครียดทากรรมฐานไม่ได้ผลออกขอบคุณมากครับมาตรการครับหลวงพ่อครับอนี่เป็นขั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อนะครับก็ปฏิบัติกรรมฐานหรือวิธีการเคลื่อนไหวมือกับเดินจงกรมนะครับแล้วก็ฟังซีดีกับดูยูทูบของหลวงพ่อบ้าง น, นะครับนี่ออยากขอเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัตินี่อยู่ถูกต้องไหมครับ ลองขยับมือให้ดูหน่อยสิหลงไปแล้วนะขยับแล้วรู้สึกขยับท่าไหนนะไม่สําคัญนะสำคัญคือความรู้สึกตัวไม่ใช่หลวงพ่อคำเขียนไหมหลวลงพ่อคำเขียนเขาเคยบอกให้สิจังหวะนี้มาทีหลังได้วยซ้ำไปจุดหลักที่หลวงพ่อเทียนเน้นก็คือสติงั้นเราขยับนะถ้าใจหนีไปคิดเรารู้ทันขยับแล้วใจไหลไปอยู่ที่มือรู้ทัน ขยับแล้วรู้ทันจิตเรื่อยๆเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราแต่ที่โยบทําในภาพรวมเนี้ใช้ได้นะใช้ได้อขอถามนะครับเรียนถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอจิตพอจะตื่นบ้างไหมครับตื่นตื่นเป็นช่วงๆนะครับผมอย่างตอนนี้มันตื่นขึ้นมาอา่แล้วขอ การขอความไม่ตาหลวงพ่อขอวิหารธร้วครับเพื่อเพิ่มถ้าเราใช้การเคลื่อนไหวแล้วเราตื่นนะเราก็ใช้การเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่เคลื่อนไหวให้จิตสงบเราเคลื่อนไหวแล้วรู้ทันจิตตอนนั้นเองครัเพราะตอนนี้อาศัยว่าพอจิตมันหีไปคิดก็รู้ทันจิตไปคิดนั่นแหละอย่างนั้นนะภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดพอภาวะแห่งความตื่นเกิดแล้วเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวต่อไปแล้วเราเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวกับจิตเนี่ยเป็นคนล่านกันร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ และจิตที่หนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหรือจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้ทันเราไปปัญญาจะเกิดเราเห็นว่าจิตไหลได้เองรู้สึกไหมจิตไหลไปได้เองตรงนั้นแหละปัญญาฝึกบ่อยๆนะดีในภาพรวมใช้ได้ละอย่าให้เครียดก็แล้วกันนะยังติดเครียดนิดหน่อยการนมัสการหลวงพ่อค่ะก่อนหน้านี้โยมเคยปฏิบัติ แนวนึงนะคะค่อนข้างจะเพ่งหลวงพ่อรู้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปปฏิบัติที่สวนสันติธรรมเหมือนกับสิ่งที่โยมทําอยู่เนี่ยนิ่งๆอย่างเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตื่นรู้รู้สึกตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่มากเท่าไหร่ไม่แต่ไหนนะมาได้ท้งหกสิเปอร์เซนแล้วค่ะก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยโยมก็ปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็พยายามดูกายดูใจค่ะหลวงพ่อบอกว่าโยมประคองนะะตอนนั้น แล้วก็ติดเพลงด้วยตอนนี้โยมดีขึ้นหรือยังะคะใช่มันรู้ด้วยตัวเองนะค่ะเพลงมากมันอืนดัดรู้สึกไหมใจมันคลายออกรู้สึกค่ะใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดามันดีที่สุดแล้วละ่ะแต่ว่าพวกเราพอเรารักดีนะเราพยายามบังคับมันมันเลยผิดธรรมชาติไปทุกวันนี้หลังจากที่โยมฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยเอหลังๆมันเนี่ยจากที่ทํางานแล้วโยมเคร่งเครียดโยมก็ หันมายิ้มกับตัวเองค่ะมีสติแล้วลึกตัวได้ก็พยายามยิ้มก็ยิ้มบ่อยๆก็รู้สึกดีขึ้นบางครั้งยุ่งจนกระทั่งลืมหายใจเหมือนกันพอฟังซีดีหรือว่าพอมีสติเนี่ยก็กลับมายิ้มแล้วก็หายใจแต่โยมก็ยังรู้สึกตัวว่าก็ยังยังปฏิบัติไม่ได้มากค่ะทำสม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยๆแนวโน้มมันดีขึ้นก็ใช้ได้แล้วล่ะทุกวันนี้ก็สวดมนต์ทุกคืนแล้วก็พยายามปฏิบัติ อ่าสักสิบนาทีสิบห้านาทีอ่ะก็มีกันบ้านให้ทําต่อใช่ไหมคะให้ทำต่อนะคแล้วก็คอยรู้ทันเรื่องการประคองจิตยังเหลืออยู่ครับขอบคุณค่ะวันนี้ตื่นเต้นจะแย่แล้วอ่ะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะอ้าวเหรอโถกลับน้มัสการนหลุมท่อนะคะจริงไหม้ว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกบ้างไหมตอนนี้เหมือนมันไม่อยู่กันเดกับตัวใช่ อย่างนี้ถือว่ารู้ถูกรู้ถูกใช้ได้นะคือจะบอกว่าจะมาส่งกันารกิงตอนแรกตื่นเต้นได้พบหลวงพ่อเพราะว่าอากาศมันน้อยมากเคยไปที่วัดจําไม่ได้ละน่าจะสามครั้งก็ส่งกันบ้านนะ้วก็ทั้งนั้นก็เป็นมีที่ดีอีกเนื่องจากกลุ่มส่งไปก็ได้ปฏิบัติแนวหลวงพ่อก็ได้ฟังซีดีก็ปฏิบัติจนระยะหลังก็มามาทานแนว หลวงพ่อเทียนก็ใช้เคลื่อนไหวก็สังเกตว่าการใช้วิธีเคลื่อนไหวมันรู้สึกตัวมากกว่าเคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้ทันจิตนะค่ะทีนี้แต่ว่ามันแก่แล้วอะค่ะหลวงพ่อเวลายกคืออะไรอ่ะมันเมื่อยเมื่อยก็ไม่ต้องโยกเยอะหลวงพ่อนะคือตอนนั้นภาวนากับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลรับรองแล้วว่าภาวนาเป็นแล้ว่ะก็ออกหาประสบการณ์ ไอ้หลวงพ่อเทียนก็เป็นพระดังองค์หนึ่งก็เข้าไปเห็นหลวงพ่อเทียนกาลังสอนลูกศิษย์สอนคารวะาท่านขยับสิบสี่จังหวะเราไปดูไอ้หลวงพ่อเทียนขยับนี่ใช้ได้แต่ไอ้พวกลูกศิษย์ที่ขยับนะถ้าไม่คิดเรื่องมือก็ไปคิดเรื่องอื่นเลยไ ม, ม่ก็ไปเพ่งพวกนี้ขยับไงให้ตายไม่ได้เรื่องหรอกแล้วตูเห็นหลวงพ่อเทียนขยับเราใช้ได้หลวงพ่อก็มาขยับบ้างนี่หลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตสิบสี่จังหวะเยอะเกินลาคาญ <c oughs> นะลหลวงพ่อเหลือแค่นี้เองค <c oughs> แค่นี้กับสิบสี่จังหวะมันก็เท่ากันแค่นี้ยังเมื่อยกว่าแค่นี้บางทีก็เดินจงกรมอย่างนี้เดินด้วยนิ้วเ อ, อ, อยู่ที่โต๊ะทํางานเรามีเวลานิดหน่อยลุกขึ้นเดินเกจการชาวบ้านมันอยู่ที่ความรู้สึกตัว ะ, ะการเคลื่อนไหวเป็นแค่การกระตุ้นความรู้สึกตัวคือคือคื อ, คอการรายงานในสิ่งที่ปฏิบัตินะคะทีนี้เ อ, อด้วยเหตุที่แบบเวลามันเมื่อยเนี่ยแล้วก็บางครั้งเวลาขับรถ รู้สึกว่ามันว่างไปได้ซีดีธรรมะก็เปิดฟังคือคือก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนมันถูกไหมอย่าให้อย่าให้จิตรวมมันแล้วกันนะไปฟังฟังในรถนะคะก็ขั้งแรกไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยมันหลงไปอยู่เรื่อยเลยซีดีมันคือหลักฐานฟ้องเราค่ะคุณพ่อมันลืมมันฟังคือคือฟั ง, ฟงเอ๊ะทำไมตอนนี้เราไม่เคยได้ยินก็ลเลยเพิ่งมัน พอพอเอกใจก็มาคิดได้ว่าอ๋อไอตอนเนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าเราเนี่ยใจลอยใจลอยต่อหลังก็เลยมาสังเกตตัวเองว่าไอ่ดีที่ในแต่ละนาทีที่มันเดินไปเนี่ยเราใจลอยกี่ครั้งสังเกตไหมตอนเนี้ยใจลอยใช่แล้วก็ออกไปด้วยสังเกตไหมใจเราเพลินไปในการพูดถูกต้องตื่นขึ้มากก่อนแล้วค่อยพูดก่อนรู้สึกตัวเห็นไหมใจเราเคลิ้มไปละเราพูดทำมาแล้วเราจะเคลิ้มเออถูก ยังไม่ยอมกลับยังไม่มายังไม่มาเหมือนก็อยากจะเล่าให้ฟัง้ว่อยาก <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมมันจะลุยลูกเดียวเลยหมโอ้แ ต, oh. แต่มันก อ, อมันค่อยกลับเข้ามาแล้วนี่ <S 2> <S 2> มันไม่รู้ตัวในสิ่งที่คือคือเวลาปฏิบัติถ้าอยู่นิ่งๆกับตัวเองหมายถึงว่าไม่ได้มาอยู่ในตรงนี้ต้องมานั่งรายงานนะคะก็เวลามันมีความคิดมันก็รู้สึก <S <S อืมต้องอย่างนั้น มันมันรู้สึกเหมือนกับที่ฟังซีดีแล้วพอมีความคิดมันหลุดไปมันรู้สึกเราเเเข้าใจแต่ทีนี้สิ่งที่ตามมาคือว่าแล้วแล้วมันยังไงต่อไป อ, อาจารย์ก็แนะนำว่าให้มาดูว่าเราชอบไม่ชอบไม่ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติถูกไหมนี้ก็ก็กำลังดึ้น ใ, นใจลอยไปที่อื่นนะจุดสาคัญนะต้องรู้สึกตัวให้ชำนาญ ของยมเวลาเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยใจไหลมันจะเคลิม้มมันจะเพลินไปนะอินเออมันจะอินถูกหลวงพ่อเกรงใจไม่กล้าใช้คำนั้ น, น, น <laughs> มันอิ น, นอันมันอินตัวเนี้ยตัวร้ายเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ทันไม่อินนะให้มันตื่นขึ้นมา คืออินอินนี่อินมากคือรู้สึกตัวในเรื่องนามอินของตัวเองเพราะว่ามันโลแล้วลงไปลงไปนานด้วยกว่าจะถอนโตมาได้รู้สึกตัวตัวนั้นแหละคือปัญหาไปแก้ตัวนี้ก่อนนะตัวอื่นนไม่สําคัญหรอกตราบใดที่ใจยังยินอยู่เนี่ยไม่สามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ก็แค่นี้ก่อนเอาตัวนี้แหละตัวสําคัญใแจมต้องตื่นให้ได้ก่อนหนึ่งหลวงพ่อเตียก็สอนใช่ไหมคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวไอ้นี่หนูลากเราไปตลอดเลยนะ เราต้องหลุดออกมาให้รู้สึกรู้สึกแล้วเป็นไปนานนานไปนานให้ให้กันบ้านอยาก ค, คุยเยอะค่ะรู้สึกตัวบ่อยๆค่ ะ, <c oughs> คะขอบคุณมากก <c oughs> <ๆ>รรมน้ำสการผ้าจานค่ะอือปัจจุบันที่ปฏิบัติจจอยู่นะฮะคือสวนมนก่อนอือแล้วก็ถึงจะนั่งสมาธิแต่มีความสุขว่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วมันหลงตลอด เดิไม่ทราบเพาที่ทำอยู่บางทีเราใช้อารมณ์กรร ม, ามฐานที่ละเอียดเกินไปนะทําให้หลงง่ายแล้วก็ใช้อารมณ์ที่แรงขึ้นอย่างบางคนดูจิตเอาอย่างเงี้ยแล้วดูไม่ทั น, นั้ก็มารู้สึกที่ร่างกายบางคนรู้ร่างกายก็รู้ลมหายใจแค่นี้ก็พอบางคนรู้ลมหายใจก็ละเอียดเกินไปไม่พออีกแล้วต้องหายใจแล้วพุโทโธด้วยเลยหายใจแล้วพุโทโธก็ยังไม่พอแล้วต้องมาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยถ้ใช้อารมณ์ที่หยาบหยาบม่จะทําให้ไม่หลงยาวคือ เคยมีบางครั้งเหมือนพอเราพูดโทมากๆเหมือนเราเริ่มเริ่มเริ่มลาคานเลยไม่ทราบว่าที่ส<ะ>ําคัญให้รู้ว่าําคาญจริงๆเป็นพวกโท ส, าศศาสะจร <laughs> ิตนะเพราะฉะนั้นรู้ทันใจของเราไปเลยใจหงุดหงิดเรารู้ใจหงุดหงิดเรารู้รู้บ่อยๆดูไปอยู่แค่นั้น <laughs> ใช่ไหมคะตอนนี้พอตาเห็นใจข้องหงุดหงิดหูได้ยินเสียงใจข้องหงุดหงิดใจคิดใจข้องหงุดหงิดดูอย่างนี้แหละแค่นี้แหละก็พอแล้วตรรมาฐานสําหรับคนคนหนึ่งนิดเดียวไม่เยอะหรอก แล้วที่เราที่ปฏิบัติอยู่ทำถูกต้องไหมครับถูกแต่ทําไปโมโหไปอ่ะ <laughs> มันไม่ถูกตรงที่มันโมโหนั <g rab> ่นแหละกาพยนธรรมนักศ<อ>ึ<อ>าการครับหลวงพ่อครับอืมก็เรียนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งใช้ได้แล้วดีครับ ด, ดูออกไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกครับก็พยายา ม, มพยายามแก้ปัญหาจากซีดีที่หลวงพ่อมันบรรยายก็ ก็จะเจอทุกคําตอบครับครับผมก็ปัจจุบันผลก็คือเห็นกายเห็นใจมั น, ม, นมันทํางานตัวมัติเองใช่ครับผมแต่ก็รู้สึกกํากลังมันมันอ่อนเพราะไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบต้องทํานะคารวาตเนี่ยไม่ใช่โง่กว่าพระหรอกแ้วคารวาตมีจุดอ่อนสําคัญก็คือความต่อเนื่องไม่พออห น, นึง่งกับสมาธิไม่พออีกอันหนึง่งงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยเพิ่มพลังของสมาธินะแล้วก็สนใจต่อเนื่องมีเวลาห้านาทีสิบนาที เก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยเลยสมมติว่าเราต้องรับประชาชนมาติดต่อเราเนยช่วงนี้ยังไม่มีคนมาอะไรเงี้ยหนึ่งนาทีสองนาทีเราก็รู้สึกกายรู้สึกใจที่คุณฝืนใช้ได้นะไป ท, ทำอีกขันมันแยกได้แล้วแยกได้ดีด้วยแยกเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อขันมันแยกได้แล้วต่อไปก็จะเห็นขันมันทํางานของขันเองรู้สึกไหมใจมันก็โลบโกรธลงได้เองสุขทุกข์ได้เองรู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เรา นั่นแหละปัญญาละเรารู้สึกมากนะเราบุญบา ร, รมีเราพอศีล ส, สมาธิปัญญาพออริยามรรคถึงจะเกิดนะเรารู้สึกรู้สึกอย่างเดียวเรวสูญศีลเราไม่ดีนะอริยามรรคก็ไม่เกิดเงินศีล ส, สมาธิปัญญาให้มันพอดีสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยอริยามรรคก็เกิดไม่ยากหรอกสิลข้อสี่ยากครับก็ยากอยู่ครับเงินไม่มีอะไรนะครับใช้ได้ดีแล้วว่ามา กาบเรียนพระจ้านะคะเอ่อไม่เคยส่งส่งการมากนะคะเดี๋ยววาก็ก็ก็ฝึกมาแล้วก็เต็บในสมถะเป็นเป็นสิบสิบปีแต่ปฏิบัตนที่พยายามฝึกวิปัสสนามากขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับจิตมันมันไวมากแล้วก็ <ừ> บางทีเหมือนกับไม่ไม่แน่ใจว่าว่าว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าจิตมันมันมันแยกเป็นหลาย หลายดวงแล้วเหมือนเหมือนกับมันจิตมันมันสามารถที่จะไปไปจับทั้งทั้งร่างกายแล้วก็อารมณ์แล้วการเปลี่ยนแปลงของขอ ง, ของมั น, นจับได้ครั้งละอย่างนะมันไม่จับทีเดียวหลายอย่างมันมันเหมือนกับมันมันไวมากจนบางทีเหมือนกับแม้แต่สมองระบบสมองยังยั ง, ย, งยังไม่สามารถที่จะจะตามทาันไม่ทันสมองช้ากว่าจิตอันอันนี้อันนี้ถูกต้องนะคะ ถูกนะแต่จิตยังไม่ค่อยถูกจิตขนาดนี้นไม่ถูกดูออกไหมจิตขนาดนี้ผิดปกติดูออกไหมมันรู้สึกว่ามันมันตันแล้วมันแน่นเออมันแน่นอะไม่ถูกอนะปล่อยทิ้งไปลืมไปลืมจิตไปก่อนแลเห็นร่างกายไปยักหน้ายิ้มซิเห็นร่างกายเ อ, อดู ก, กายนะดู ก, กายอย่าจ้างอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เรียกดูกายอย่างนั้นเรียกว่าเพ่งกายดู ก, กายหมายถึงรู้สึกรู้สึกลองยิ้มซิลองยิ้มยิ้มซิยิ้มเป็นไหม เออเห็นร่างกายยิ้มไหมคือรู้สึกว่ามันระบบภายใ น, นอารมณ์มันไม่ถูกมันเมาขึ้นนะจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาตินะรู้สึกไหมมันมันเหมือนกับพยายามบังคับเับเอออย่าบังคับไม่เอานะปล่อยไม่ดีก็ได้ไม่ให้ผิดศีลห้าพอแล้วนะไม่งั้นมันจะผิดธรมดธรมชาติเพื่อผิดธรรมชาติเราบังคับมากไปมันผิดธรรมดา ซึ่งซื่งซื่อซื่อบื้อยู่ทื่อๆอยู่ความรู้สึกมันจิตมันทื่อๆแล้วอารมณ์มันแข็งเออนั่นแหละผิดตลอดนะแล้วพระอาจารย์คะเราจิตจิตของเราเนี่ยอะแต่ละแต่ละขณะเนี่ยมีดวงเดียวใช่ไหมใช่มีทีละดวงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่มีหลายดวงนะแสดงว่าเกิดทีละดวงแสดงว่าหนูมีมี พอมันเกิดดับมันมาเร็วมากจึงงๆนะครัแบบตรงนั้นอะ<ม>ให้รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านใช่ตัวนั้นอะคือตัวจิตฟุ้งซ่านเรามองภาพรวมอย่าไปดูทีละตัวดูทีละตัวไม่รู้เรื่องเลยดูไม่ทันมองภาพรวมแล้วขนาดเนี้ยจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะหายฟุ้งซ่านเองเลยสมาธิก็จะเกิดทันทีเลยเหมือนกับบางบางขนาดเนี่ยเหมือนกับจิตจิตจิตดวงนี้แวบหนึ่งมันมันไปเห็น เหขนาดนี้เริ่มอีกแล้วรู้สึกไหมเพิ่มแล้วนะรู้สึกรู้สึกมัารู้สึกกับกลับมารู้สึกไอยเจแน่แล้วแล้วเหมือนกับบางทีมันกับไปไปไปจิตบางบางขณะมันไปดูดูดูที่ท้องอืมบางบางขณะไปดูที่รู้สึกว่าหัวมันตันบางขณะรู้สึกว่าเออว่าร่างกายมันส่วนนี้ส่วนนี้หรือว่าเอคยเกิดโทสะเออให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะ ยืนพื้นเลยเนี่ยคือจิตฟุง้งซ่านแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมีโทสะค่อยมีโลภะอะไรแทรกแทรกดังนั้นเวลาที่จิตมันฟุง้งซ่านเนี๋ยมันจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้นะรู้ว่าฟุงา้งซ่านแล้วมันหายแจนจะตื่นขึ้นมาแ ต, แต่วิธีการวิธีการที่แบบว่าเหมือนกับไปไปเรียนรู้หรือว่าไม่เอาไปเดีย น, นนะ่ะเสียเวลาให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านไปเลยถ้าเรียนเนี่ยเราไม่จบหรอกไปเรื่อยๆไม่ไม่ไปจับเลย<ช>ไม่จับ แค่เห็นแล้วเห็นแล้วก็วางไปวางไปคือเห็นแล้วก็แบบมันเหมือนกับละละไปเอเ อ, อทิ้งมันไปแล้วมารู้ทันจิตเอาจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วรู้ตรงนี้นะไม่ต้องไปไล่ไหลไปไหลมาไอ้อย่างนั้นฟุ้งสรรั้นต้องแก้ตัวนี้นะสมาธิยังไม่ถูกใจยังฟุ้งอยู่ก็แล้วแล้วแล้วการการจะจะเจริญปัญญายังไม่เจริญนะต้องฝึกสมาธิก่อนใ ห, ใ, หให้จิตมันตื่นอย่างแท้ จ, จริงก่อนไม่งั้นไม่ได้เจริญออก มันจะฟุ้งซ่านเฉยๆฟังแล้วงงไหมว่าเขาคุยอะไรกันสมน้ำหน้ามันก็ต้องงงแหละเพราะไม่ได้ภาวนาเรียนกับหลวงพ่อนะต้องทนไปฟังแล้วฟังอีกนะแล้วในเวลาไม่นานนะจะเข้าใจแล้วเวลาที่เรามาส่งกันบ้านนะคนอื่นจะฟังเราไม่รู้เรื่องจะคุยกับหลวงพ่อรู้เรื่องอยู่คนเดียวเพราะาทางใครทางมัน แต่ว่าเราจะพัฒนาของเราไปด้วยตัวของเราเองนะแต่ละคนมีทางของตัวเองห้ามเรียนแบบกันเรียนแบบไม่ได้หรอกไปทำกันบ้านด้วยการไปฟังซีดีนะเราเจอกันข่าวหน้านี่จะมาหาหลวงพ่อแล้วบอกขอบคุณหลวงพ่อไม่ถามแล้วละ่ะเข้าใจแล้วละอ่ะครับกาวคำทั้งวัดครับข้าพเจ้าทั้งหลาย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 ยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปะทิตังตุมหังจิปเปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาฉันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตปวัิวันตรายโยสุขีที่คาโยโกพะวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังุทาปจายโนจตารโรธรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะต้ <c oughs> องฝึกนะ